แต่วันนี้เวลาเน่เทศกันเน่จะได้เทศเรื่องตั้งใจปฏิบัติให้เป็นปัจจุบันนธรรมปัจจุบันนธรรมนี่แหละเป็นธรรมอันไม่งอนแงนคอนแนค้นเธอทุกครั้งที่เรานั่งสมาธิภาวนานี่ ให้เราคิดว่าปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้เวลานี้คนเราไม่เข้าใจปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้ยางว่าเรานั่งอยู่ที่นี้แทนที่เราจะนึกภาวนาพุทโธในเวลาปัจจุบันเดี๋ยวนี้ก็ไม่นึกไม่ภาวนาคิดว่าเราฟังธรรมเสร็จไปแล้ว กลับไปบ้านไปถึงเวลานโน้นเมื่อทำจึงจะทำใจของเราให้เป็นปัจจุบันอย่างนี้ไม่ทันไม่ทันกับกิเลสมารสังขารมารในใจของเราทุกครั้งที่เรานั่งภาวนา <c oughs> โดยเฉพาะคือเวลานี้เวลาเนเวลาฟังธรรม ฟังแล้วให้เราทำใจให้เป็นปัจจุบันส่วนใดที่เป็นอดีตล่วงมาแล้วตั้งแต่เกิดมาหรือพบก่อนหนหลังนับไม่ถ้วนเราไม่ต้องเกี่ยวในพบนี้ชาตินี้ตั้งแต่เกิดจนบัดนี้เราก็ไม่เกี่ยวอีกจะดีร้ายอย่างใดไม่ต้องไปคิดถึง ปล่อยวางละทิ้งเสียความทุกข์ความเดือดร้อนอันใดที่เมโยในตัวในใจของเราอันเป็นอติตาลมอดีตหมดไปแล้วไม่ต้องไปสนให้ตั้งเจตเจตนาลงไปในเวลาขณะนี้เดี๋ยวนี้รวมใจของเราเข้ามาเดี๋ยวนี้ให้ได้ ดวงจ็ดดวงใจดวงปัจจุบันคือผู้ฟังธรรมอยู่เดี๋ยวนี้แหละได้ยินเสียงเสียงที่เราได้ยินนี่เป็นปัจจุบันเ <c oughs> มื่อเสียงจบไปก็เป็นอดีตเมื่อดังขึ้นมาก็เป็นปัจจุบันเมื่อดังไปแล้วผ่านไปแล้วก็เป็นอดีต อดีตปัจจุบันและอนาคตมันเกี่ยวโยงกันถ้าเราขาดสติทีนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่าเป็นคนขาดสติอยู่โดยความขาดสติคือไม่ละลึกอยู่ในเวลาปัจจุจจบันไปคิดฟุ้งซ่านไปในอนาคตตการ ว่าเมื่อนั้นเมื่อนี้จะทำบุญให้ทานเมื่อนั้นเมื่อนี้จะรักษาศีลห้าเมื่อนั้นเมื่อนี้จะไหว้พระสวดมนต์ภาวนาไม่ตั้งใจลงมาในเวลาปัจจุบันเลยตามจิบ ต, ตามใจภาวนาของตัวเองไม่สมบูรณ์บริบูรณ์รวมเป็นหนึ่งได้ เพราะจิตใจเราไม่ลำลึกอยู่ในเวลาปัจจุบันที่เรานึกอยู่ในตัวในใจของเรานี่ว่าพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของใครเป็นที่พึ่งของเราทุกคนไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าเด็กคนหนุ่มคนแก่คนชราเป็นที่พึ่งได้ ที่พึ่งได้ย่ังไงที่พึ่งได้ที่เรารวมจิตรวมใจตั้งจิตเจตนาลงไปในเวลาปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้จะนึกภาวนาพุทธโธธรรมโมสังโฆ อ, อันใดก็ให้รวมเข้ามาในเวลาปัจจุบันนี้ถ้าเราทุกคนตั้งจิตเจตนารวมจิตรวมใจรวมพะละกําลัง สัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาลองโสจโจบันคือเดี๋ยวนี้เวลานี้แหละปัญหาต่างๆไม่มีไม่เกี่ยวข้องเศรษฐกิจเศรษฐกับไม่เกี่ยวใจให้ตั้งลงไปถึงพุทธะพุทธะพุทธโธพุทธ ะ, ทธ ะ, ทธะแปลว่าเจตผู้รู้ ดวงเจ็ดผู้รู้มีอยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ไม่ได้มีอยู่ในอดีตไม่ได้มีอยู่ในอนาคตมีอยู่ในปัจจุบันเราต้องตั้งใจของเราลงไปในเวลาปัจจุบันเดี๋ยวนี้ให้ได้เมื่อตั้งใจลงไปเดี๋ยวนี้ได้เวลาต่อไปมันก็เวลาปัจจุบัน อดีตอนาคตถ้าเราตั้งใจในเวลาปัจจุบันได้ดีแล้วจะเห็นว่าอาดีตมันก็ล่วงไปแล้วคือไม่มีนั่นเองอนาคตตาการข้างหน้าก็คือว่าไม่มีนั่นเองคือมันยังไม่ถึงเวลามันถึงมันเมโยคือปัจตัวปัจจุบัน เราต้องคิดกองนี้รวมจิตรวมใจให้สงบระงับเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวลงไปในเดี๋ยวนี้ขณะ น, นี้ทุ่งนี้ปรืญนี้ไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของกิเลสหลอกลวงพรุ่งนี้จะไปนอนเวลามันถึงพรุ่งนี้มันไปอีกทางหนึ่งเราต้องตั้งใจลองในเวลาปัจจุบัน ปัจจุบันเดี๋ยวนี้เรานั่งสมาธิภาวนาฟังธรรมก็ให้ใจของเราตั้งขึ้นมาคำว่าตั้งใจนะั้นมันตั้งหมดตัวนะทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งใจทั้งทานการกุศลที่เราทําอยู่เวลานี้และทำมาแล้วก็ตามมันก็มาอยู่ในเวลานี้จะคําต่อไปก็ในเวลานี้แหละ ท่าใจในเวลาปัจจุบันของเราทุกคนตเต็มเตี่ยมด้วยความเชื่อความเลื่อมใสในพุทธธรรมคาสอนพระพุทธเจ้าด้วยการภาวนาธรรมใจของเรานั่งขัดสมาคตก็ไม่กลัวเจ็บกลัวปวดมันไม่ตายหรอกถ้าหาว่าพระพุทธเจ้าท่านนั่งภาวนาใต้ลมไม่โค่น ถ้ามันตายพระพุทธเจ้าก็คงไม่เดตรับเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็คงตาอาตายเสียก่อนแต่นี้ท่านไม่ตายวันนั้นคืนนั้นพระองค์นั่งขัดสมาธิเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาเอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ า, ายตั้งใจเสียสละทุกสิ่งทุกอย่าง รอจนชีวิตจิตใจของพระองค์ก็ยอมสลักถ้าคืนวันนั้นพระองค์ตั้งใจภาวนาให้ได้ตรัสลูเป็นพระพุท ธ, ธเจ้าแต่ถ้าหากว่าบาังเอิญจิตใจไม่เข้มแข็งอ่อนแอแท่อแท้เหมือนแต่เป็นมาในอดีตแล้วพระพุท ธ, ธเจ้าไม่ยอมที่จะลุกหนีจากที่นั่งนะั้น แม้แต่อาหารบริโภคอาหารฉันอาหารสมยวยก็องก็ไม่ยอมฉันถ้าตัดกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจของพระองค์ไม่เด็ดขาดพระองค์ยอมตายในที่นั้นจริงๆแม้ชีวิตเลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามที ลองฟังดูที่พระองค์กล่าวขึ้นมาอย่างนั้นหมายถึงพระองค์ไม่ยอมไม่ยอมจีแลรให้มาย่ำดีหัวใจพระองค์ได้อีกต่อไปจีแลรความโกรธ <c oughs> พระองค์ก็เลิกละลงไปในเวลาปัจจุบันนั้ น, น, นตัดลงไปให้เด็ดขาดทีเดียว แลดความโลภความอยากได้ไม่เมติสิ้นที่สดเหมือนปุถุชนคนทั้งโลกเหมือนมนุษย์เทวดาในโลกยุคใดสมัยใดก็ตามกี่แลดความโกรธความโลภความหลงเต็มเตี่ยมอยู่ตลอดเวลาไม่บกพร่องลงไปเลยแต่พระพุท ธ, ธเจ้าพระองค์ทําให้หมดไปสิ้นไป พระองค์กำหนดอนาปาลมหายใจเข้าหายใจออกพล้อมกันนั้นพระองค์ก็นึกถึงมลณภัยคือความตายลงไปในจิตใจปัจจุบันของพระองค์เองว่าลมเข้าไปกำหนดรู้ว่าลมเข้าไปนั่นเป็นตัวปัจจุบัน ในขณะที่ลมเข้าไปพระ อ, องค์ก็ตามรู้เตือนจิตใจดวงผู้รู้โยในปัจจุบันนี้ว่าลมหายใจที่เข้าไปแล้วถ้าออกมาไม่ได้ก็ตายมรณะกรรมฐานมรณะเมพาวิตติตายแน่ๆไม่ว่าพระองค์หรือคนทั่วไปก็ตามจนมาถึง ระยะนี้ก็าตราบถ้าลมหายใจเข้าไปออกมาไม่ได้ตายลมหายใจนี่แหละถ้าออกไปแล้วติดขัดสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายมรนกรรมฐานนี่พระองค์ตักเตือนพระอานนท์ให้กำหนดมรนกรรมฐานว่าดูก่อนอนนท์ วันหนึ่งหนึ่งอาน o n ได้นึกถึงความตายวันละกี่ครั้งท่านพระอาน o ์ก็โทรตอบพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์นึกถึงมรณะนะคือความตายที่จะมาถึงได้วันละหลายพันครั้งพระองค์ก็ตอบย้อนสอนว่าวันละหลายพันครั้งนั้นอาน o ์ยังประมาทอยู่ ต่อไปอานุนให้นึกถึงความตายนี้ให้ได้ทุกลมหายใจเข้าไปลมหายใจออกมาก็นึกให้ได้ว่าเราตายได้เหมือนกันคือลมเข้าและลมออกเท่านี้ก็ได้ภวนามลณนะกรรมฐานสองครั้งทีเดียวให้ได้อย่างนี้จึงจัดว่าเป็นผู้ไม่ละมาด เมื่อตั้งอยู่ในไม่ประมาทแล้วย่อมมีหลังที่จะได้บรรลุคุณธรรมในทางพุทธศาสนาถ้าหากว่าหมดวันหมดเวลาไม่รู้ว่าลมหายใจเข้าออกอย่างไรไม่ได้นึกไม่ได้เจริญอันนี้ทัานว่าประมาคนประมาทชื่อว่าเหมือนคนตายทำอะไรไม่ได้ ไม่ได้ผลพระองค์เตือนอานนนว่าต่อไปให้สอนสาวกในพุทธศาสนาว่าให้นึกถึงความตายให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกเราตถาคตหมายถึงพระองค์เองพระองค์ไม่ได้หลงลืมไม่ได้ขาดสติ พระองค์นึกได้เตือนใจของพระองค์ได้ว่ามาละนะใครคือความตายพระองค์รู้โยทุกเวลาลอมเข้าไปก็ตายได้ลอมขออกมาก็ตายได้เนละตัวปัจจุบันเมื่อใครนึกได้จเจริญได้อุบายทำใด้ภาวนาก็ตาม ถ้านึกได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกตราบใดมีลมหายใจเข้าออกอยู่นึกให้ได้กําหนดจิตใจของตอนให้ลงโซลักปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้ได้ทุกเวลานี่แหละเป็นต้นทางที่จะดําเนินเดินไปสู่ความพ้นทุกข์ภายในวัฏฏะสงสารได้เพราะนั้นตัวปัจจุบัน คือเวลาเดียวนี้ขณะ น, นี้เราต้องตั้งใจลงไปตั้งใจเดียวนี้เมื่อเราตั้งใจเดียวนี้แล้วเราจะไปไหนมาไหนก็กำหนดจิตใจของเรารวมใจของเราส ง, งบกายส ง, งบวาจาส ง, งบจิตส ง, งบใจส ง, งบความโกรธความอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรแก่มนุษย์ลดรัตว์ทั้งหลาย ไม่ให้เกิดมีในหัวใจของเราเนื้อเตือนใจของเราโยภายในเนื้อพุทธโธก็ให้ถึงพุทธโธพุทธะพุทธะพุทธโธจิตใจดวงผู้รู้ผู้ฟังธรรมได้ยินอยู่กลองไหนก็ให้รวมลงไปที่กลองนั้นความจริงเจตใจนั้นก็คือว่าอยู่เต็มตัวของเราทุกคนตัวของเราหนี้โดย รูปร่างกายคือการได้แก่ขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งเมนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบมีตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นตัวปัจจุบันรูประขัน์ดวงเจ็ดดวงใจนั้นไม่มีรูปร่างศีสันฐานแต่ก็มาอาศัยโยในรูปประขันต์นี้ ถ้าเราเป็นผู้สังเกตให้เดว่าเวลานี้ปัจจุบันนี้จิตใจเราฟังเสียงฟังธรรมได้ยินเพราะคนหูดียอมได้ยินเสียงเสียงที่เราได้ยินอยู่เนี่แหละมันกระทบเข้าไปที่หูที่โสตที่หูแล้วไปรู้ที่เจ็บที่ทจิตใจนั่นแหละตรงนี้แหละที่เราจะต้องตั้งใจรวมลงไป ให้เป็นตัวปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้ได้ทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกแต่ไม่ต้องตามออกไปเมื่อลอมหายใจผ่านดวงจิตดวงใจผู้รู้แล้วก็แล้วไปตั้งใจนึกพุทโธก็คือเอาดวงจิตดวงใจดวงที่รู้อยู่นี่แหละมีสติความระลึกขึ้นมา ละเลิกขึ้นมาแล้วเจดใจดวงที่รู้โยนี้แล้วก็รวมกําลังให้มาตั้งโยภายในไม่ให้แช่ทรายไปที่อืน่นสิ่งใดที่ล่วงมาแล้วหมดไปแล้วก็ไม่ต้องเอามาคิดมานึกและไม่ต้องเอามาพูดเอามาคิดทำอีกต่อไปโดยเฉพาะคือโทสะจริต เป็นนิสัยของมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายโกตะมานะอันนี้นั้นเราต้องละเลิกออกไปให้สงบตั้งใจลงไปจุดดวงที่มีความรู้อยู่เจตใจนั้นมันมีอยู่ภายในตัวเราทุกคนแต่ส่วนมากนั้นมันอยู่เบื้องบนเบื้องบนหมายถึงตา สองข้างหูสองข้างมันอยู่บนศีรษะจมูกสองปองปากปองหนึ่งส่วนมากจิตมันอยู่ท่อนบนนี้มันชอบดูโลกมันชอบฟังเสียงมันชอบดมกลิน่นที่หอมกลิ่นที่เหม็นไม่ชอบ อันนั้นเราต้องตั้งใจดูจิตใจดวงผู้รู้อันเนที่มีอยู่ภายในและโยเบื้องบนนี้สติให้มีอยู่ในตัวในกายในจิตโดยเฉพาะปริทุนชติเมสติอยู่เฉพาะหน้าคำวันนาหมายถึงหน้าภายนอกนี่หนึ่ง เหลือหมายถึงหน้าคือจิตมันชอบโดูโลกออกมาทางตามันตองออกมาทางตาเวลาภาวนาท่านจึงให้หลับตาเสียไม่ต้องดูอะไรทางนั้นดูจิตดูดใจดูลมหายใจเข้าออกของเราอยู่ ดูว่าจิตใจมันนึกเตือนใจของตนได้หรือว่าเราจะต้องตายได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกถ้ายังไม่รู้ไม่เข้าใจก็ให้นึกน้อมรวมจิตใจนี้เข้ามาภายในคือดวงปัจจุบันความจริงมันมีปัจจุบันเท่านั้นอเอดีตอนาคตเราไม่มีอะไร เราจะไปเอาอะไรกับอดีตมันหมดไปแล้วมันสิ้นไปแล้วเมื่อวานนี้เราจะไปเอาอะไรกับมันมันหมดไปแล้วถ้าจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเขาดุดาว่าล้ายให้แต่เมื่อวานนี้เราก็ไม่ไปคิดเอามามีอยู่ในปัจจุบันเราก็เพียรละภาวนาพุทธโธให้ได้ทุกลมหายใจละความโกรธ ความไม่พอใจต่างๆอันมันเกิดมีขึ้นในจิตในใจของตัวเองแล้วมันก็เผาผานจิตใจของตนให้เร่าร้อนอยู่บนเพล่ำลายอยู่นี่คือว่าไม่รู้จักจิตใจดวงปัจจุบันแช ส, สายไปในอดีตแช ส, สายไปในอนาคตสิ่งที่ยังไม่ถึงมันก็ปรุงกระแตงขึ้นมาให้มีเรื่องมีราวขึ้นมา น่ละคือว่าไม่รู้จักหลักปัจจุบันภาวนาหลักปัจจุบันภาวนานั้นไม่ต้องเลือกสถานที่ที่วัดเราไปมาจำศีลที่วัดก็ให้ภาวนาได้เราอยู่ที่บ้านที่เลือนของเราก็ให้ภาวนาได้พรากการภาวนาจริงๆนั้นไม่ใช่สถานที่ภาวนา มันเป็นเจิตใจของเราที่ล้ำลึกขึ้นมาในหลักปัจจุบันตัถะตัถะในที่นี่นี่ภาวานาพุทธโธก็พุทธโธในปัจจุบันธรรมโมสังโฆก็ในปัจจุบันนี่แหละทําความเทียนเพ่งโยในหลักปัจจุบันอันนี้ให้ได้ยจาไปกี่วันกี่เดือนกี่ปีข้างหน้าก็ตาม มันก็ไม่มีนอกจากปัจจุบันนี้แค่นั้นเราจะต้องละกิเลสในปัจจุบันภาวนาพุทโธในปัจจุบันเ น, น, น, นืกถึงความตายในเวลาปัจจุบันจนกระทั่งจิตใจสงบเงียบเย็นสบายไม่เร่าล้อนด้วยอารมณ์อดีตเขาว่าให้เราเขาดูถูกเราไม่ต้องเกี่ยว มันล่วงเลยมาแล้วก็ให้หมดไปสิ้นไปเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเดี๋ยวนี้เราตั้งอกตั้งใจฟังธรทร ม, รรมอยู่ที่ไหน ร, รมก็อยู่ที่กายวาจาจิตตัวเราทุกคนเมื่อเมีอยู่ที่นี้เราไม่ดูไม่ภาวานาหลักธรรมในปัจจุบันก็เลยหลงเข้าใจว่าพระธ ร, รมอยู่ที่โน้นที่นี่บ้าง ความจริงมันมีอยู่ในตัวในใจนี่แหละเราะนั้นยาได้หลงลืมพุทธะในหลักปัจจุบันนี่แหละธํามโมสังโฆก็ในหลักปัจจุบันนี้อดีตอนาคตให้เห็นว่ามันไม่มีทางนั้นอย่าไปยึดเอาถือเอาแล้วไม่ต้องคิดมาให้มันยุ่งเหยิง เมื่อจิตใจเดียวนี้เวลานี้นึกน้อมภาวนาถึงคุณพระพุทธเจ้าอยู่เนืองนิดติดต่อกันไปไม่ยอมให้กิเลสความโกรธมาย่ำดีหัวใจไม่ยอมให้กิเลสความโลภมาย่ำดีหัวใจไม่ยอมให้กิเลสความหลงให้มามาย่ำดีหัวใจ ดวงใจของเราให้มันท่องใสสะอาดเลื่อมใสศรัทธาในคุณพระพุท ธ, ธเจ้าในพุทธศาสตรนาให้มันเต็มที่ไว้ไม่ต้องไปเชื่อคำคนเขาว่าไอคนเหล่านั้นสิบคนก็สิบเรื่องสิบลาวสิบปากนั่นแหละให้เชื่อต่อคุณพระพุท ธ, ธเจ้าคำสอนของพระพุท ธ, ธเจ้า ทำสอนพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่าไปเลือกการเลือกเวลาเราจะทำบุญให้ทานก็ให้ตั้งใจลงไปในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ขณะนี้ให้ได้แม้ยังทำไม่ได้เราก็ตั้งใจไว้ก่อนการรักษาศีลไม่ฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในการกล่าวมูสาวาท เดิมจินโซลาเมลัยก็ให้ตั้งใจขึ้นมาในเวลาปัจจุบันนี้ยังจิตใจของเราให้ทองใสสะอาดว่าเราจะหลักศีลให้บริสุทธิ์ตั้งจิตนาเว้นจากโทษต่างๆและก็ละมัดระวังกายวาจาใจของเรา ไม่ให้พูดไม่ให้ทำไม่ให้คิดไปตามอำนาจกิเลสนั้นจงรวมเจิตใจเข้ามาัตั้งมั่นอยู่ในกายวาจาจิตของเราที่ภาวนาพุทธอยู่ภาวนามลณนะความตายเตือนใจของเราอยู่ภายในนี้ให้ใจของเราในเวลาปัจจุบันนี้ข่องใสสะอาด สะอาดกายสะอาดวาจาสะอาดจิตคือจิตใจไม่ฟุ้งเฟอ้อเหือ่อเหืมไม่ลุ่มหลงมัวเมาไปตามคนที่เมกิเลตลาคะโทสะโมหะธรรมดาคนเรามีกิเลสอะไรในใจในตัวของเรามันก็เป็นอารมณ์ข้องอยู่ในจิตนั้นใครจะข้องก็าตามแต่ว่าจิตใจของผู้ภาวนานะ ให้ถือหลักปัจจุบันภาวนาเราจะภาวนาพุทธโธก็ให้ตั้งใจลงไปเดี๋ยวนี้เวลานี้ให้มันนึกให้ได้จเจริญให้ได้เสียงอะไรมันเข้ามาทีหลังอีกเป็นอามว้ว่าไม่รับเอาไม่พูดไปตามไม่คิดไปตามเสียงนั้นมันก็ดับไปเอง เราก็มีเวลาภาวนานั่งก็ภาวนาพุโทโธได้เดินก็ภาวนาพุโทโธได้เดินไปมาธรรมดาก็ภาวนาพุโทโธ ไ, ด, ได้ไปรถไปเรือไปเหนือไปใต้ไปไหนก็ต่างรอบโลกมนุษย์ก็ให้ภาวนาได้ไม่ให้เจตใจทั้งเผลอลุ่มหลงมัวเมาดินลนวุ่นวายเสียเวลาต่างๆ จนก็ทั่งเกิดมาหลายสิบปีก็ยังไม่ได้ภาวนาพุโทโธแม้แต่สักครั้งหนึ่งอันนี้แล้วว่าเสียเวลาปล่อยให้เวลามันหมดไปสิ้นไปในวันหนึ่งๆมีอยู่ยี่สิบสี่ชั่วโมงทั้งยี่สิบสี่ชั่วโมงนั่นแหละเราเอามาภาวนาให้ได้ทุกชั่วโมง ไม่ได้หมายเพียงกิริยาอาการร่างกายกระทาอย่างนั่งภาวนาเดินจงกรมอันนั้น <c oughs> เป็นเอกส่วนหนึ่งเมื่อไงเวลาพิเศษเราก็ทำให้เป็นพิเศษไปถ้าไม่มีแล้วจะนั่งแบบไหนก็ภาวนาในใจละกีเลสในใจให้ได้ เพียนเพ่งดูจิตใจโมโหโทโสฟุ้งซ่านล้ำคามในใจของเราลายให้มัอนออกไปพุทธโฆพระพุทธเจ้าอยู่ในใจของเหล่านี้ธรรมโมพระธรรมอยู่ที่ใจเหล่านี้สังคอพระสงฆ์สาวกอยู่ที่ใจเหล่านี้เองถ้าใจของเราตื่นขึ้นลุกขึ้นภาวนานะ ให้ได้ทุกลมหายใจและให้เป็นปัจจุบันนั้ น, น, นอยู่ตลอดเวลาดีแลเราจะมีโอกาสมีเวลา ท, ทำคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นไม่ต้องไปอ้างว่าเดือนนี้เดือนหน้าเดือนโน้นจะภาวนาจะไปที่โน้นที่นี้จึงจะภาวนาไม่ได้ เราต้องทำในใจในปัจจุบันนี่เรื่อยไปไปไหนก็ภาวนาสอนใจของเรานั่นแหละเมื่อใจเราสงบระงับตั้งมั่นเที่ยงตรงคงที่อยู่ในหลักธรรมทางพุทธศาสนาเป็นปัจจุบั น, นธรรมแล้วจิตใจเราก็จะได้เย็นสาบาย พระพุทธ อ, องค์งตัดว่าอดีตมันกระ่วงแลว้วอนาคตก็ไม่มาถึงปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้มันถึงอยู่มีโยเดี๋ยวนี้ขณะ น, นี้ให้รีบทารีบปฏิบัติเราจะไปรอให้ใครมาภาวนาให้มันเป็นธรรมภายในโลกเต่าล้งเหลนสามีภรรยาจะมาภาวนาให้เราก็ไม่ได้ ตัวเราเองใจเราเองเนี่แหละจะต้องภาวนาและจะต้องประกอบกาะทาให้เกิดให้มีขึ้นเลิกละความโกรธความโลภความหลงอวิชชาตัณหาในใจของเราให้หมดตั้งใจภาวนาเป็นพิเศษให้ได้ทุกคืนทุกคืนนอกนั้นก็ยืนเดินนั่งนอนไปมาที่ไหนก็นึกเตือนใจของเรา ให้บริการภาวนาจะเป็นข้อใดอันใดก็ได้เรานึกํำนาญในการนึกพุโทโธก็เอาพุโทโธนั่นแหละเป็นที่นึกที่จเจริญอยู่จนกระทั่งความโกรธความไม่พอใจต่างๆ <c oughs> ในเจตใจของเราให้มันหมดไปสิ้นไปไปทำความขุ่นข้องหมองใจให้เกิดมีขึ้นทำไม อารมณ์เรื่องรลวที่มันเกิดขึ้นนั้นถ้าเรามีสติให้ดีจะเห็นว่าที่จิตใจมันขัดเคืองขึ้นมาเพราะอารมณ์ที่ไม่พอใจเกิดขึ้นเพรว่าก่อนที่เราจะหลับจะนอนทุกทุกคืนนั้นคนเราไม่ใช่ว่าชวนจะนอนแล้วก็มีการงานอยู่เวลาคนเราจะนอนแล้วว่าหมดการหมดงานแล้ว วางมือทุกอย่างนั่นและโอกาสนั้นนับว่าเป็นโอกาสอันดีของเราทุกคนจะต้องกราบละไหว้ระนั่งสมาธิภาวานาตอนนั้นให้ได้หรือวันใดมันง่วงเหงาห่านอนก็อย่าเพื่อนั่งอย่างเดียวเดินจมกลมเดินจากลมนั้นเป็นการปราบปรามจิเลศ หยาบหยาบกิเลสหยาบหยาบก็คือว่ากิเลสง่วงเหงาหาหนอนที่ทัานวานนิวรังทางห้ากามะชันปยาบาถีนามิทะอุทธจักอุกุตุจาตวิจิจิธาสิ่งเหล่านี้แลีย ว, ว่ากิเลสหยาบหยาบต้องปราบด้วยการเดินจมกรมบ้างนั่งสมาธิบ้าง แต่บางคนถ้านั่งแล้วมันหลับได้เดินนั่นแหละมันหลับไม่ได้เดินกลับไปกลับมาภาวนาพุทโธหรืออุบายใดที่ทําใจของเราให้สงบระงับได้ก็เอามานึกมาจเจริญในเวลาเดินจงกรมการเดินจงกอมนี้ถ้าเดินดีๆจะได้รับความสุขสบาย คือร่างกายของคนเราถ้าเดินแล้วก็เลือดลมมันสะดวกสบายไหลไปได้ทั่วร่างกายมนุษย์คนเราสมัยนี้เขาจึงมีวิธีวิ่งตื่นนอนมาก็วิ่งล่อไปให้ได้นานๆคือเวลาวิ่งเวลาเดินร่างกายทุกส่วน มันเคลื่อนไหวไปมาเส้นเอ็นต่างๆเลือดลมอันเมโยภายในมันก็วิ่งไปตามทางของมันในร่างกายของคนเราไม่ใช่มันอยู่เฉยๆอย่างเรามองเห็นมันเหมือนก็ว่าเลือดน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำธรรมดามันไหลขึ้นไหลลง เหมือนแม่น้ำลำคลองเหมือนแม่น้ำเจ้าพยามันไหลามาจากโน้นภาคเหนือหน่ยลงมาจนถึงกรุงเทพมหานครเลยนี่ไปก็ไปถึงทะเลมหาสมุทรในร่างกายของคนเราทุกคนทุกคนนะ่ะมันไหลยอยู่ดั น, นั้นเราเดินจมกลมกลับไปกลับมา ให้ร่างกายสะดวกสบายให้ใจเยือกเย็นสบายถ้าเราภาวนาดีๆเนกบริกรรมพุทธอในเวลาเดินก็พาให้จิตใจสงบระงับได้ใจเย็นสบายได้แล้วจึงค่อยมาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาก็ได้อันการปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนานี้ ถ้าจะว่าถึงพระพุทธศาสนาจริงๆแล้วเดียวว่าเป็นแก่นเป็นแก่นธรรมแก่นธรรมอยู่ที่ภาวนาถ้ายาติโยอมพุทธบริษัททุกคนที่เลื่อมใสศรัทธาในทางพุทธศาสนายังไม่ได้ภาวนา เพียงแต่ไปวัดทำทานการกุศลยังไม่ได้นั่งภาวนาหรือนั่งก็นิดๆในน้นนอยมันยังไม่เพียงพอเจิตใจก็ยังไม่สงบนิ่งแน่วเป็นดวงเดียวได้จึงจำเป็นต้องนั่งทุกคืนทุกคืนก่อนจะนอน ถ้าหากว่าเรายังสู้กิเลสในใจของเราไม่ได้อย่างความโกรธมันยังโกรธดได้อยู่เราจะต้องหนักขึ้นไปนั่งภาวานาเดินจงกรมเอาให้มันสู้มันได้ความโลภในจิตก็เหมือนกันถ้าเราปล่อยปละละเลยไม่ภาวานาละมันแล้วมันจะเหยียบย่ำคนเรา กิเลสความกรอดรกิเลสความโลภกิเลสความหลงนี่มันเคยเหยียบย่าเราท่านทั้งหลายให้มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาไข้มาตายมาล่องให้น้าตาไหลอย่างที่เป็นโยนีนับไม่ถ้วนแล้วแม่พระพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็เป็นมาอย่างที่เรานี้นับไม่ถ้วนแล้วว่าอเนกชาต แต่ว่ามาปัจจุบันพระองค์เอาชนะได้ด้วยการนั่งสมาธิภาวนาเราทุกคนถ้าจะให้ได้ชัยชนะนั้นก็ต้องตั้งใจแหละต้องตั้งใจทำถ้าไม่ตั้งใจทำแล้วเราจะมีแต่ท่อแท้ออนแอในหัวใจเคอใจไม่ตั้งตัวไม่ตั้ง ปล่อยให้อำนาจฝ่ายต่ำเข้ามาทับถมดวงจิตดวงใจจนกระทั่งเกิดความเกลียดค้านท้อถอยเห็นว่าทำไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ว่าไม่มีเวลาเหล่านี้ทั้งหมดคือว่ากิเลสมารสังขารลมานมันย่ำเยหัวใจของเราจนหาเวลาทำความดีภายในจิตใจไม่ได้ เราอย่าไปเชื่อไปหลงเดี๋ยวนี้เราเชื่อกิเลสมานสังขารมานเชื่อกิเลสความโกรธโลภห ล, ลงมานมนานแล้วถึงเวลาที่เราจะต้องแยกทางกันเดินกิเลสที่เกลียดที่คา้านทิ้งออกไปละออกไปอย่าเอามาไว้ในตัวในใจในเจตใจดวงผู้โรภายในตัวเราโยูน นะัภายในนี้เอาให้มันมั น, มนขยันเกิดภาวนาอันใดก็เอาให้มันได้เต็มที่อย่างลมหายใจเข้าลมหายใจออกดั น, นั้นเราอย่าไปกลัวทำอะไรอย่าไปกลัวมันเจ็บมันไข้มันเป็นมันตายอะไรต่อมี้อะไรอ น, นั่นมันเรื่องของกิเลส กิเลสมานสังขารมา้มันไม่ยอมให้เราสร้างคุณงามความดีคนเราเวลาจะทําความดีไม่ว่าความดีใดๆจะทําแล้วมันต้องมีมกิเลสนี่แหละมันเป็นมารเป็นอุปสรรคมันไม่ยอมให้เราทําไม่ยอมให้เราปฏิบัติมันจะให้โยตามอํานาจกิเลส กิเลสความกรอดมีขึ้นแล้วมันก็ให้โหมใหญ่กิเลสความลอดในใจเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็โหมกันใหญ่เลยมันไม่ให้หยุดยัง้งแต่ผู้ภาวานาจะต้องตั้งจิตเจตนาให้มั่นคงอย่าไปเชื่อไปหลองอย่าไปเตะว่าเรายังเด็กโยภาวานาไม่ได้ หรือว่าแกชลาแล้วภาวนาไม่ได้ไม่ไหวหูไม่ดีตาไม่ดีการภาวนาไม่เกี่ยวด้วยหูด้วยตาเกี่ยวด้วยใจเจดใจนั้นไม่ใช่รูปร่างที่เรามองเห็นกันนี้อันนี้เป็นรูปประคันธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตดุดมก่อนอสุภกรรมฐาน ที่เรามองเห็นนี่ดวงจิตดวงใจนั้นถ้าเรจิตใจเราไม่รวมไม่สงบไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวแเรวยังมองเห็นไม่ได้เพราะไม่ใช่วัตถุมันเป็นนามธรรมหรือว่าไม่มีรูปเหมือนเรามองเห็นไหมว่าลมที่มันพัดมามันเป็นตัวอย่างไรมองไม่เห็น เหตใจนี่มันคิดไปคิดมาคิดไปปรุงแต่งต่างๆนานามไม่เห็นแหละส่วนมากมันเอากิเลสมาทำให้ใจเดือดร้อนวุ่นวายแล้วจึงมองเห็นว่าเออกิเลสความโกรธมันเข้ามาแล้วกิเลสความโลภมันเข้ามาแล้วกิเลสความหลงมันเข้ามาแล้วเนี้ก็เลิกละไม่ได้มา เพราะไม่ภาวานาไม่ทำความเพียรชํำละแก้ไขจิตใจของตนอันนั้นต่อไปให้เราทุกคนแก้ไขจิตใจของตนให้ได้ใจนั้นมันสุดแท้แต่ว่าตัวเราผู้เป็นเจ้าของใจถ้าทำอันใดมันทำได้ทามาวัตรฟ้าามาฟังเทศฟังธรรม พานั่งสมาธิภาวนาพานั่งขัดสมาธิเอาให้ได้พระพุทธเจ้าพระองค์ทำได้ทำไมเราทำไม่ได้จีแลความกรอดพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทาั้งหลายท่านละได้ท่านเลิกได้ท่านปล่อยวางได้อย่างเด็ดขาดทำไมเราเลิกไม่ได้ละไม่ได้ นี่คือว่าเราไม่ภาวนาไม่ทำใจของตนให้สงบระงับเยือกเย็นอยู่ภายในปล่อยให้ใจคิดฟุ้งซ่านไปภายนอกไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวลงไปแล้วก็มีแต่ความว่าวุ่นอยู่ในหัวใจนั่งก็ใจร้อนเป็นไฟลุกอยู่ในหัวใจ เดินก็เป็นไฟลุกอยู่ในหัวใจเดินก็เป็นไฟลุกขึ้นในหัวใจในั้นเวลาเรานั่งสมาธิภาวนาเป็นเวลาระ ง, งับดับไฟราคะดับไฟโทสะดับไฟโมหะไปในตัวเราทุกคนก็คงรู้ได้เข้าใจทีเดียวว่า ความพกความเดือดร้อนมันเกิดขึ้นในใจเรานั้นก็คือว่าเราไม่รู้จกักทาใจของตนให้สงบระงับถ้าตั้งใจภาวนาอยู่ในใจทุกลมหายใจเข้าออกไม่ตามกิเลสสังขารภายนอดวงเจ็ดดวงใจนั้นให้สังเกต ด, ดูให้ดีคือว่าเจ็ดที่อยู่ ได้แก่จิตใจดวงผู้รู้อยู่เจตใจดวงนี้ไม่ได้ไปที่ไหนโลกนามกายใจโยที่ไหนจิตใจดวงผู้รู้เน่ก็โยที่นี่มันจะไปที่ไหนไปไหนใกล้ไกลเราไม่ต้องไปกังวลเมื่อเราไม่หลงไปตามไม่แส้สายไปตามอาการนั้นมีหน้าที่ละวางโยเสมอ ตั้งใจภาวนาให้มันเป็นหนึ่งอยู่ในจิตในใจของเราจนกระทั่งจิตใจดวงนี้มันขาดจากอารมณ์ที่ดีใจเสียใจวุ่นวายภายนอกได้แล้วจะเห็นได้ด้วยตนเองทีเดียววัดดวงจิตดวงใจมันโยที่ไหนเป็นรูปร่างสีสันฐานอย่างไรตัวเองจะรู้ได้ในจิตในใจนั้น ต้องมีสติความระลึกอยู่ในตัวในใจระลึกว่าเดี๋ยวนี้ขณะนี้เราทาอะไรเราพูดอะไรเราคิดอะไรเรามีสติอยู่หรือไม่ระลึกอยู่ได้ในใจของเราหรือไม่ประการใดโดในปัจจุบันเดี๋ยวนี้แหละ เมื่อเราโดในเวลาปัจจุบันเดี๋ยวเนี่ว่าจิตใจดวงผู้รู้ก็อยู่ในใจเราอยู่ในตัวเรานี่แหละไม่ได้ไปที่ไหนธรรมดาใจมนุษย์คนเราและสัตว์ทั้งหลายนั้นนับตั้งแต่มาเกิดมาปฏิสนธิวิญญาณมันก็ยึดเอาร่างกายตัวตอนอันนี้เป็นเลือนใจเป็นที่อยู่ มันไม่ได้ไปที่ไหนเวลาจะไปไหนมาไหนมันก็หอบเหี้ยเอารูปประขันร่างกายทั้งหมดขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งนี่แหละไปพานั่งพายืนพาเดินพาไปมาพูดจาปลาัสอะไรทุกอย่างเจดใจดวงผู้รู้โยภายในมันเฝ้าร่างกายอันนี้อยู่ตลอดเวลา อนั้นเราอย่าไปเข้าใจผิดคิดหลงไปไม่ต้องตามออกไปภายนอกให้ตัวกระแสเข้ามาภายในถ้าเราสังเกตให้ดีว่าเราฟังเสียงฟังธรรมอยู่ในเวลานี้เมื่อเสียงนั้นลอยไปในอากาศไปเข้าที่โซอที่หูจิตใจอยู่ตรงไหนจึงรู้ได้ว่าเป็นเสียง เสียงนั้นท่านที่แจงแสดงอย่างไรที่เรารู้นั้นก็คือจิตใจนั่นเองนั้นยาได้มีความทอดแททอ่อนแอนในหัวใจทุกๆคนให้นึกว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์มีความเมตตากรุณาแก่ชาวเราดีที่ดีที่สุดพระองค์ไม่ได้อะไรกับพวกเราเพราะพระองค์ ดับขันเข้าโซนารดพานแลเท่ากันก็ว่าเราไม่ได้ช่วยท่านอะไรไม่ได้ใส่บาตรท่านไม่ได้ทำอะไรให้ท่านแต่ถึงกันนั้นท่านก็ยังมีความเมตตาสงสารพวกเรามีพระธรรมคำสั่งสอนมาตรัสมาเทศมาสอนไว้แปด0มื่นสี่พันพระธรรมขัน เอาไว้ให้พวกเราทั้งหลายเรียนศึกษาแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติภาวนาไม่ต้องไปเสื้อหาแลกเปลี่ยนพระพุทธ อ, องค์ท่านมุ่งหวังเมตตาพวกเราขนาดนี้ตัวเราใจเราจะไม่เมตตาการุณแก่ตัวเราหรือต้องพากันคิดอ่านพิจารณา แล้วให้ตั้งใจทําคุณงามความดีที่ตนจะได้จะถึงในชาติปัจจุบันนี้เอาให้ได้อย่าไปรอตามอานาจกิเลสตัณหาธรรมดากิเลสตัณหามันคอยอ้างอยู่ตลอดการเมื่อเวลาเป็นเด็กมันก็อ้างว่าเรายังเด็กอยู่ ไม่ต้องบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาประการใดต่อไปให้ใหญ่ให้แก่ชราเสียก่อนจึงทวนานั่นคือมันโกหกพกลมอยู่ตลอดเลยล่ะแค่ น, นี้ถ้าร่างกายจเจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาอยู่ในขั้นกลางของคนตอนนี้มันก็อ้างอีกว่าการงานยุ่งยากทํา มาหาเลี้ยงกิเลสอะไรต่อมีอะไรแก้ไปแลเลยเวลาที่เกิดมามันหมดไปหมดไปอยู่ทุกวันทุกคืนทุกเดือนทุกปีทุกหลายสิบปีเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะตามไม่ทันจะเอาชนะใจไม่ได้แล้วเราต้องตั้งใจลงไปว่าบัตรนี้เราจะไม่ปล่อยปละละเลย ทุกวันทุกคืนรู้สึกเมื่อใดเวลาใดเราก็จะต้องเอาคุณประพุติเจ้ามาน้อมนึกลำลึกอยู่ในใจของเราคนอื่นผู้อื่นเขาจะนึกไม่นึกช่างเขาเอาตัวของเราเป็นข้อแรกเรวันนับหนึ่งไปจากตัวเราอะไรทั้งหมดเราต้องทำให้ได้ถ้าเราไม่ทำไม่ปฏิบัติมันก็ ไม่เป็นไปได้เพราะอะไรทั้งหมดในโลกมนุษย์เหล่านี้เราต้องประกอบกระทำทางนั้นจึงเกิดเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความสุข ก, กายสบายใจขึ้นมาได้ก็ด้วยการปฏิบัติประกอบกระทำขึ้นไม่ยอมอยู่นิ่งดูดานถ้าเราไม่ภาวนาปล่อยให้สังขารร่างกายมันแก่ชราไปเปล่า แล้วอะไรมันจะตามมาก็คือความเจ็บไข้ได้ป่วยผลที่สดก็คือว่าความตายก็จะมาถึงเข้าเมื่อความตายมาถึงเข้าความเจ็บไข้ได้ป่วยมาถึงเข้าแล้วไม่ใช่ของเล็กน้อยมันจะไม่มีเวลาแหละพอมันเจ็บล้วจิตมันก็ไปคล้องอยู่ในที่เจ็บ เวลาอยู่ดีสบายจิตเราก็เพลิดเพลินไปที่อื่นอย่างนี้แล้วว่าเอาสมาธิภาวนามาไว้ในใจของเราไม่ได้แล้วได้แต่ความฟุ้งซ่านลำขาดแล้วก็มักจะถามเอาง่ายๆว่าทำอย่างไรข้าพเจ้าจะได้ภาวนาได้สำเร็จมรรคผลให้ถึงนิพพานเสียที ให้ช่วยบอกช่วยสอนบ้างแต่ว่าเมื่อท่านบอกแล้วสอนแล้วเราก็ไม่ทำอีกมันก็ไม่ได้อยู่ดีๆ เ, เวลานี้ให้เราเข้าใจว่าธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมปฏิบัติเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วเราต้องตื่นตัวขึ้นมาลุกขึ้นในใจนะ ตั้งออกตั้งใจภาวนาเอาจริงเอาจังทีเดียวว่าเราทำได้ปฏิบัติได้ตามระเบียบธรรมเนียมทางพุทธศาสนาได้ดีหรื อ, อยังถ้ายังไม่ดีที่ไหนเราก็ต้องตั้งใจขึ้นมา้าเอากายวาจาจิตตัวเราทั้งใจิตใจนี่แหละ มาปฏิบัติบูทาภาวนาอยู่ที่ไหนก็ทำได้จะเป็นชาติใดภาษาใดก็ตามถ้าใจมันตั้งใจแล้วมันทำได้ปฏิบัติได้ทั้งนั้นอย่างว่าละลึกเอาพุทธคนมาเป็นอารมณ์ในใจพุทโธพุทโธใครจะนึกไม่ได้นึกได้ทุกคน แต่ว่าความตั้งใจเจตนาที่มั่นคงหนักแน่นในใจของเราไม่เพียงขอเลยล่มลุกพลุกคานอยู่อย่างนั้นเองในนั้นเราต้องตั้งจิตเจตนาขึ้นมาจะไม่หวั่นไหวไปตามเรื่องราวภายนอกจะรวบรวมกําลังกายกําลังจิตให้มาตั้งมัน่น เป็นสมาธิภาวานาให้ได้สมาธิภาวานาไม่ใช่อยู่ที่ป่าที่เขาที่ถ้าที่กูนมันอยู่ที่หัวใจเราทุกคนนีดวงใจหัวใจของเราอยู่ที่ไหนก็มีความรู้สึกที่ไหนก็ที่นั่นแหละดวงใจมีอยู่ที่กายวาจาจิตของเราทุกคน เมื่อมีอยู่ที่นี่เราก็ให้รวมกำลังจิตกำลังใจกำลังความสามารถอาหารขึ้นมา้าหากว่ามันปวดเจ็บอะไรขึ้นมาในร่างกายสังขารพระพุทธเจ้าท่านก็ว่าอย่าไปยึดถือว่าเป็นของเราความหลงตังหากความจริงมันไม่ใช่ของใคร ดูเวลามันแก่ชราไปสิเราบอกฟังหรือเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยใครต้องการความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีแต่มันก็ได้นั่นแลท่านว่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราอย่ามาหลงหยึดเอาถือเอาจงเคียนพยายามทาจิตใจของเราให้มีความองอาจกล้าหาญ ในการที่จะเอาชนะความโกรธความโลภความหลงในใจของเร่านี้ให้ได้แม้มันยังไม่ได้เราก็จะต้องทำไม่ต้องท้อถอยเอาจนชีวิตของเราแตกดับทาลายลงไปถ้ามันยังไม่ตายยังมีลมหายใจเข้าออกหยุดพดทอทุกลมหายใจ เรนิกถึงบาณานะไพคือความตายที่จะมาถึงตัวเราให้ได้ทุกลมหายใจเพราะว่าเมื่อคนเราเกิดมามีสมบัติพัสฐานอะไรหอบยิ้วมาจากแม่ได้อะไรมาก็ได้หนังหุ้มกระดูกขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งนี่แหละมา เมื่อหายแล้วเราก็ดิ้นลนวุ่นวายหาเอามาอีกส่วนหนึ่งต่างหากแล้วก็คิดให้ได้ว่าเมื่อความตายมาถึงเข้าบุคคลผู้ใดแล้วบุคคลผู้นั้นจะหอบหิวเอาสมบัติในโลกนี้ไปไม่มีเลยเราทุกคนย่อมรู้ในใจย่อมได้เห็นทางตาได้ไปเผาผีจีกระดูก ตามเขามานับไปทวนแล้วโดถีเอาอะไรไปร่างกายสังขารที่ตัวเองมายึดมาถือเอาว่าตัวเราของเราตัวข่าของข่ า, ขาตัวโกของกกตายเมื่อใดก็ทิ้งไว้ที่นั่นการเผาผีจีกระดูกเป็นเรื่องมนุษย์ที่เขายังมีชีวิตอยู่ถ้าเขาไม่เผาฝังให้มันก็ เคยเน่าเป็นเหยื่อของนอนอยู่ที่นั่นแหละ น, นั้นเราอย่ามาหลงยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเราอยู่เลยจงตั้งเจ็ตตั้งใจของเราลงไปในขณะนี้เดี๋ยวนี้ให้มันของหนักแน่นเหมือนแผ่นดินโดแผ่นดินเซเขาไม่มีความหวั่นไหวประการใด บางคนเขาก็ติเตียนว่าแผ่นดินตรงนี้ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้แผ่นดินก็เฉยอยู่บางคนเขาก็ยกย่อให้ว่าแผ่นดินนี้ดีอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เฉยอยู่ยังเก่าแหละแนนั้นใจราวทุกคนที่ภาวนาพุทโธอยู่ในใจยาได้วันไหวไปตามอักขีเลสต่างๆ องมีความเคียรความมันความขยันในจิตในใจของเราให้เต็มที่นั่งโยก็ให้ภาวนาได้ยืนโยก็ให้ภาวนาพุโทโธได้เดินไปมาที่ไหนก็ให้ภาวนาพุโทโธให้ได้ตั้งใจของเราโยทุกเวลาไม่ให้ใจมันเศร้าหมองขุ่นมัวให้ใจใสเหมือนน้ำใสหรือว่าให้ใจใสเหมือนแก้ว ให้ใจสะอาดไม่เปรกลให้ใครใครจะมาดุดาว่าไล่ฝ้ายสีให้ก็ไม่ต้องตอบโต้เขาปล่อยให้มันว่าข้างเดียวมันก็จบไปเองหน้าที่ของเราบำเพ็ญกองการกุศลโดยเฉพาะบนกุศลในการภาวนามายัยบุญสำเร็จด้วยการภาวนาอันนี้ไม่ต้องลำบาก ว่าแต่เราตั้งใจลงไปแล้วภาวนาได้ทุกลมหายใจเข้าออกนั่งก็ได้กลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้ภาวนานึกน้อมได้ทุกลมหายใจเนะผู้ปฏิบัติธรรมในทางพุทธศาสนาไม่เมใครไปช่วยให้ได้ เป็นการฝึกฝนอบรมตัวเองทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งใจให้เกิดพลังงานที่ดีงามขึ้นมาในหัวใจของเราคือให้ใจเราเมีความเชื่อความเลื่อมใสในทางพุทธศาสนาในทางคุณพระพุทธเจ้าให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วคนงามความดีที่พระพุทธเจา้าพารม ถ้าปฏิบัตินั้นมันก็กลับเข้ามาทำให้ใจของเราเมความเอบอบิมเปติยินดีในทานในศีลในภาวนาที่ตนเองได้หมู่คณะเพื่อนมนุษย์ทมจะพาให้เราทุกคนมีกำลังกายมีกำลังจิตมีกำลังความคิดมีกำลังปัญญา เกิดมีขึ้นมาในตัวในใจของเรานั่นเองไม่ต้องไปหาที่อื่นที่อื่นก็มนุษย์คนเราเนี่ยแหละเป็นผู้คิดค้นขึ้นมามานุษย์เหาเนี้เรียกว่ามีปัญญาแม้บินไม่ได้มันก็สร้างเครื่องบินขึ้นมาเว่งบอล เป็นรถยนต์มันก็สร้างขึ้นมารถไฟมนุษย์มันก็สร้างขึ้นมาบัดนี้เราเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์ได้เพราะพุทธศาสนาได้พากันประพฤติปฏิบัติตามมาโดยลาดับลําดับเราอย่าประท้อแท้ออนแอรในหัวใจคนอื่นไม่ทําเราทํามันจะเป็นอะไรไป แล้วคนอื่นเขาว่าไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็อย่าไปเชื่อไปหลงมนุษย์นั้นไม่มีสิ่งใดจะไปห้ามมันได้มันมีแต่คำพูดมันมีแต่การหักห้ามทำลายไปเท่านั้นมันไม่ตั้งใจภาวนา แล้วให้เราทุกคนต่อไปให้นุกคนตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนารวมจิตรวมใจเข้าไปภายในยังไม่รวมยังไม่ภาวนาก็ว่าทำไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้สุดวิสัยเป็นไปไม่ได้